วันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่สิบกุมภาพันธ์พุทธศักราชส5 3พันห้ารอยสาสิบเก้านับเป็นครั้งที่สี่ของการบรรยายความรู้จากพระไตรปิฎกในหัวข้อเรื่องการบรรลุ ธ, ธรรมของพระยาบุคคลวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วใคร่ขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์สุเทพโพธิสัทธา <c oughs> ได้บรรยายในหัวข้อดังกล่าวสืบต่อจากคราวที่แล้วกราบเรียนเชิญอาจารย์คะ่ะท่านสาธุชนผู้ใกล้ชที่เคารพ การบรรยายได้ว่างเว้นไปสองครั้งรู้สึกว่าจะมีบางท่านอาจจะได้บรรลุไปแล้วจนกระทั่งลืมที่จะมาฟังแล้วก็อาจจะมีบางท่านกาลังบางเพีย้ยนเพียนเพื่อความบรรลุอยู่ก็เป็นได้เรายังใช้เอกสารชุดที่สองที่หน้าแรกขึ้นหัวข้อวาเถรคถาแต่การบรรยายนั้นได้ มาเริ่มบรรยายในส่วนของเทรีเทรีคาถาซึ่งอยู่ในหน้าที่หกของเอกสารชุดเดียวกันวันนี้นะ่ะจะเสออธิบายสืบต่อถึงประวัติของพระเท ร, รีในส่วนที่เหลืออยู่อีกหลายองค์ด้วยกันในหน้าที่เจ็ดนะครับที่ไดบ้บรรยายจบลงไปแล้วก็เป็นองค์ที่มีชื่อว่าวาสิทธิเทรียี่จบไปแล้ววันนี้จะขึ้น สืบต่อไปในองค์ที่มีนามว่าเขมาเถรีคถาซึ่งเป็นการกล่าวถึงประวัติการบรรลุธรรมของพระนางเขมาเถรีที่ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าเป็นเอตถคะทางด้านปัญญาเทียบโดยภาษาลีบุตรเถระพระนางเขมาเถรีนั้นท่านเกิดในราชสกุลแห่งเมืองสาคละที่เรียกว่าสากรนคร ซึ่งเป็นเมืองของพระเจ้าเมนันเดอร์หรือพยามมลินในยุคต่อมาพยามมลินนั้นเป็นกษัตริย์ผู้ทรงธรรมในยุคลาวสัตว์ที่ห้าหลังพุทธปริญิพานส่วนพระนางเข ม, มานั้นเป็นบุคคลในสมัยพระพุทธเจ้าดังที่ได้ทราบกันนางเข ม, มานั้นเป็นคนปัญญาจริตคือเป็นหญิงที่เฉลียวฉลาดแล้วก็ทางรูปปั้นก็มีความงาม มีความงามเป็นเลิศทีเดียวเป็นที่พึงใจทั้งแก่บุคคลอื่นและแก่ตนเองด้วยอันนี้ก็เป็นธรรมดาของคนงามนะฮะคนงามนั้นนะมีความพึงใจในตัวเองค่อนข้างจะเป็นพิเศษคนอื่นก็พอใจด้วยเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็ได้เป็นอัคราเมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารแห่งแก่นมคตแม้เมื่อออกเรือนมาเป็นอัครามเหสีแล้ว พระเจ้าพิมพิสารได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วแต่ว่าพระมเหสีองค์นี้มิได้เข้าสู่ลมเงาของศาสนาอันนี้ถ้าหากว่จะนึกเทียบกับเมืองสาวัตถีเมืองสาวัตถีนั้นพระเจ้าประสเสนที่โกศล น, นั้นไม่ใช่เป็นผู้สุภาพระมเหสีเข้าวัดอพระมเหสีที่เป็นคนใกล้คิดวัดองค์สําคัญของท่านก็คือพระนางมริกา พระนางมริกานั้นเป็นเรียกว่าเป็นมเหสีที่พาสามีเข้าวัดแต่พระเจ้าพิมพิสารนั้นลงเงินข้ามพระเจ้าพิมพิสารนั้นเป็นพระโสดาบันเป็นผู้ที่พาอัครมเหสีเข้าวัดแต่เนื่องจากว่านางนั้นเป็นคนที่หลงรูปโฉมของตัวเองจัดมีมานะในความงดงามของตัวเองสูงมากโดยธรรมดานั้นคนเมื่อรักอะไรแล้วก็อยากจะให้คนอื่นเห็นคุณค่า และรักตามไปด้วยแต่หากว่ามีใครไม่เห็นคุณค่าหรือกล่าวตำนิในสิ่งที่ตัวเองรักก็จะไม่สบายใจไม่ชอบอย่าว่าแต่สิ่งที่เป็นเรื่องที่สังคมยอมรับเลยแม้แต่สิ่งที่ไม่สังคมยอมรับยกตัวอย่างเช่นคนเล่นการพ น, นันก็จะไม่ชอบฟังเทศเรื่องเล่นการพ น, นันหรือคนที่ชอบดื่มสุราเมื่อพระพูดถึงเรื่องโทษของการดื่มสุราอันตรายของการดื่มสุราคนดื่มสุราก็ไม่ชอบ ทั้งที่โดยหลักการและคนเหล่านี้ก็รู้อยู่ว่าอบายมุขเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่นี่เป็นเรื่องของความงามโลกเขารับรองกันโดยทั่วหน้าแต่มีแต่คนวัดมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเท่านั้นที่ทรงตรัสตำหนิตำหนิสลีละทั้งสิ้นว่าเป็นของปฏิกูลโล ก, โลกจึงเป็นเรื่องที่แสดงความรู้สึกของพระนางเป็นอย่างยิ่งจึงเป็นสาเหตุที่ทาให้พระนางไม่เข้าวัด พระเจ้าวิปิสารจึงออกอุบายให้นักกวีเนี่ยเขียนไม่ได้เขียนชมพระพุทธเจ้าแต่เขียนชมพระเวรุวันใครที่ไปอินเดียมาก็คงจะนึกภาพออกแต่นึกภาพไม่ออกก็ต้องตามไปฟังผมไปดูภาพที่ผมถ่ายมาที่จะพูดให้ใหฟังที่ปราณิพันนะตอนนี้ก็ยังไม่พูดสร้างภาพเอาเองก่อนแล้วกันดูที่ว่าจะตรงกันไหม แต่แสดงว่าตอนนั้นในงดงามงดงามด้วย <c oughs> เรียกว่าบทวิหารลานดีๆพูดเป็นสำนวนต้นไม้นาน า, นานชนิดแล้วก็ในในสำนวนทำไมนอนพ า, ารณนาเหมือนจะเกินไปแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่เกินไปว่าพวกนกหมู่นกนกยูงนกสวยบ้างนกเสียงไพเราะบ้างก็พากันมาชุมนุมอยู่ที่นั่นนี่เป็นด้วยอำนาจของเมตตา พระอรหันต์เกือบจะทังวัดทาไมนกจะไม่รู้สึกอบอุ่นนะฮะนกก็มาอยู่กันมากก็เรียกว่ามีสิ่งสวยงามหลายอย่างหลายประการที่ทำให้เวรวันนั้นเป็นที่ที่น่าทัศนาพระเจ้ามีวิสารก็ออกอุบายให้ราชบุรุษเนี่ยเป็นคนพาไปแล้วก็คาดโทษว่าต้องหาโอกาสพา พ, พระพุทธเจ้าห้ได้หลังจากที่ชมวัดแล้วและถ้าหากว่านางทาท่าบายเบี่ยง ไม่อยากจะพบพระพุทธเจ้าก็ขอให้อ้างคำมองเราว่านี่เป็นนี่เป็นคำสั่งของพระเจ้าบิบิสารผู้เป็นราชาแห่งแก่นมกตนางก็จะได้เกิดความยำเกรงแล้วก็จะได้ถือโอกาสเข้าฝ้าก็ไปเที่ยวกันอยู่ทั้งครึ่งค่ำวันจึงได้พาจึงได้พาไปพบพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าก็รู้อยู่แล้วอันนี้ผมก็เคยเล่าความแล้วว่าเมื่อไปพบเนี่ยไปเกิดเจออะไรนะฮะ ก็ไปเจอนางเนลมิดหลายนางที่พระเจ้ทาทรงเนลมิดขึ้นด้วยอำนาจฤทธิ์กําลังปฏิบัติพัดฟีพระบุทธเจ้าอยู่ซึ่งเป็นภาพที่หรือเป็นเนลมิด ท, ที่เสี่ยงมากดังที่ได้ว่าแล้วแต่เนื่องจากว่านางยังไม่รู้อะไรสั้นก็เนลมิดด้วยฤทธิ์เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการ<ม>แสดงธรรมแล้วก็ทําให้รูปโฉมของนางเหล่านั้นเสื่อมโทรมคล่าคล้าไปนางก็เกิดความรู้สึกปล่อย เ, อเริ่มทีแรกเนี่ยเป็นการ ลบมารณของนางก่อนอันนี้ก็เป็นธรรมดานะคนเราที่หลงอะไรเช่นหลงความรวยไปเจอคนที่ก็รวยกว่าหลงความฉลาดไปเจอคนที่ก็ฉลาดกว่าหลงความรู้ไปเจอคนที่ก็รู้มากกว่าหลงความหลงปฏิภาณไปเจอคนมีปฏิภานมากกว่าหลงความสวยไปเจอคนที่สวยมากกว่าก็สีบทุกคนเน่ะวิธีปราบมารณ์เนี่ยต้องใช้วิธีอย่างนี้ถ้าตัวเองไม่มีดีต้องเอาคนดีกว่ามาปราบถึงจะปราบอยู่นะะ นี่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาปราบเพราะท่านเป็นผู้ชายท่านก็ต้องเปนในละมิตดนางนางเนลมิดที่สวยงามเนี่ยมาปราบจนกระทั่งทําให้ความรู้สึกของนางเนี่ยตกทันทีมาน่าตกเกิดความคิดแรกขึ้นว่าอย่างนี้นะถ้าเราจะสมัครเป็นคนใช้เขาจะเอารู้เปล่าก็ไม่รู้เกิ<笑><笑>ดความรู้สึ ก, กวัวตัวเองไม่ได้มีความสําคัญมีราคาอย่างที่ตัวเองคิดเลยอ่าเมื่อมาน่าตกอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เริ่ม สลายรูปนั้นให้กลายเป็นรูปที่น่าเกลียดน่าจังนางก็เทียบในทางขั้นกว่าว่า น, นี่นางเหล่านั้นยังขนาดนั้นยังเป็นอย่างนี้แล้วเราแค่นี้จะเป็นอย่างไรก็เป็นนั้นว่ามานะหายแล้วก็ความติดมานะาทิฏฐิาาหายมานะตันหาทิฏฐิเอาทั้งสามเลยนะมานะตันหาทิฏฐิทั้งสามอย่างนั้นหายพระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงแสดงธรรม <ส pit. S 1> จึงมีผลทําให้นางนั้นได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในขณะยืนนั้นทีเดียวเเรื่องนี้น่ะผมก็วิจารณ์นิดหนึ่งว่าบางที่บอกว่าบรรลุโสดาบันก่อนและบรรลุอรหันต์ที่หลังนั่นไม่ใช่ไม่ใช่เด็ดขาดเพราะเหตุอะไรเพราะว่าเมื่อเมื่อนางบรรลุแล้วเนี่ยนางได้พิจารณาว่าอายุไขของเรายังมีอยู่หรือหมดสิ้นก็เห็นว่าอายุไขของเรามีอยู่คือยังไม่ตายทันที เมื่อไม่ตายเนี่ยก็หมายก็ว่าจะต้องทําไมครับบวชเป็นอาหารตั้งบวชก็ไปขออนุญาตต่อพระสวามีพระสวามีก็อนุญาตให้บวชก็จึงได้บวชเข้ามามีบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ตั้งแต่ก่อนบวชต้องบวชในวันนั้นนะครับพีบอกไม่ใช่ในเจ็ดวันเจ็วันนี่เลิกเลิกเอาไปพูดกันทีนะคนที่เป็นอาหารหันต์และต้องบวชในวันนั้นความคิดบวชเกิดขึ้นทันทีเลยหลังจากปัจจเวกแล้วเนี่ยเพราะว่าอันนี้เป็นธรรมดา ของผู้ที่เป็นพระอาหารหันต์เหมือนกับบุคคลละความชั่วในชั้นต้นๆเนี่ยเมื่อได้คุณธรรมขั้นเหนือกว่าความชั่วนั้นแล้วก็จะเกิดความคิดละอะไรที่เป็นอาชีพก็เลิกที่เป็นอาชีพมิจฉาอาชีพนะฮะเลิกอะไรที่เป็นของเิ็นพฤติกรรมผิดเลิ ก, เ ล, กเลิกทันทีทีนี้คุณธรรมเบื้องต่ําเนี่ยเลิกโดยไม่บวชก็มีโดยไม่ต้องบวชส่วนใหญ่แต่อาหารหันต์เนี่ยจะต้องบวชก็เป็นนั้นว่า ได้บวชเข้ามาและได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีปัญญามากนี่เป็นเป็นอรหันตบุคคลข้างฝ่ายพระเถรีอีกรูปหนึ่งต่อไปนางอภิสูรีที่ชื่อว่าสุชาตาเถรีเป็นลําดับองค์ที่ห้าสิบสามกระนางสุชาตาเถรีนั้นเป็นลูกเศรษฐีชาวเมืองสาเกตเมืองสาเกตเนี่ยเป็นเมือง จะถ้าเป็นเมืองรองจากเมืองสาวสถีอยู่ในแคว้นโกศลฮะอยู่ในแคว้นโกศลแคว้นโกศลเป็นเมืองหลวงเหมือนกรุงเทพเมืองสาเกตนะเหมือนเมืองเชียงใหม่ของเรานะฮะเป็นเมืองรองมีความสำคัญนางเป็นลูกของเศรษฐีชาวเมืองสาเกตก็ได้แต่งงานแต่งการเรียบร้อยแล้วหลังจากแต่งงานไม่นานเนี่ยนางก็ได้ไปที่อุทยานในงานนักขัตเลิก ซึ่งก็จะมีงานเที่ยวการละเล่นในอินเดียก็สมัยนั้นนะเรี่ยกว่าเป็นงานนักคาร์เตอกนางก็ไปเที่ยวงานนักคาตอร์นี้จัดในอุทยานจึงเป็นอุทยานสาธารณะก็เมื่อเที่ยวจนกระทั่งสมเต็มที่แล้วเนี่ยนะฮะก็ได้เดินทางกลับพร้อมด้วยบริษัทบริวารเป็นอันมากซึ่งก็บดีตอนนั้นพระผู้มีพระภาคทรงประทับอยู่ที่สวนดอกอัญชันภาษาบาลีใช่ไหับว่าอัญชนะวัน ก็คงไม่ได้หมายความว่าส่วนนี้มีแต่ดอกอัญชันอย่างเดียวแต่คงจะถือเอาดอกอัญชันเป็นสัญลักษณ์เรียกก็ได้เหมือนอย่างเวรุวันไม่ได้หมายความว่ามีแต่ไม้ไผ่อย่างเดียวก็มีไม้อย่างอื่นด้วยแต่ถือเอาไม้ไผ่เป็นหลักสําคัญบางทีต้นเดียวถือเป็นหลักก็เรียกไปตามต้นไม้ต้นหลักนั้นเรื่ออาจจะมีเป็นส่วนใหญ่ถึงจะเป็นต้นไม้ต้นเล็กก็เรียกบางทีก็เรียกต่อๆกันมาก็ได้เข้าไปเฝ้า พระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสอนุปุธิกถาตันี้ก็เป็นธรรมดาของการเทศโปรโดผู้ครองเรือนตั้งแต่ทานศีลจนกระทั่งถึงโทษของกามและการออกบทมาโดยลำดับหนึ่งเป็นการให้ความรับทราบทางหลักทฤษฎีก่อนว่าทานดีอย่างไรศีลดีอย่างไรโทษของกามโทษของของกรรมหมายถึงเบญนการมกุลอารมณ์เนี่ยมีโทษอย่างไร ไอ้คุณไม่ต้องพูดนะแล้วก็การออกบว ด, ดีอย่างไรนี่ถือเป็นของคู่กันอันหนึ่งเมื่อตรัสถึงอย่างนี้พระนางอนางได้ฟังก็เกิดความเลื่อมใสและในที่สุดได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ถึงพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสีในขณะฟังเทศนั้นทีเดียวนะับว่าเป็นคนที่บรรลุเร็ว คนนึอีกคนหนึ่งนะฮะเหมือนกับพระนางเขมาจากนั้นจึงได้ทูลขอบวชพระพุทธเจ้าก็ส่งให้ไปบวชในสำนักของพิษุนีนี่เป็นบรรลุก่อนบวชอีกองค์หนึ่งชื่อว่านางสุชาดาเรียกเป็นอย่างไทยๆเรียกสาา่สุชาดาสุชาดาในคนละคนกับสุชาดาที่เป็นผู้ถวายข้าวมาทู ป, ปาญาตานันเธอเป็นคนที่ลุมแมน่น้เนรัญชลาบ้านอยู่แถวนั้น ต่อไปองค์ที่ห้าสิบสี่มีพระนามมีนามว่าอาโนปมาสุชาดานะับแลว่าเกิดดีผู้เกิดดีสู่แป ล, ว, แปลว่าดีชาติแปลว่าเกิดอานโนปมาเนี่ยมาจากคาว่าณนะบบกอุปมาอุปมาแปลว่าเปรียบเทียบเติมณเข้าไปก็แปลแปลว่าไม่มีที่เปรียบเทียบไม่มีผู้เปรียบเทียบก็ได้ อะไรที่ชื่อว่าไม่มีผู้เปรียบเทียบตอบว่าหมายถึงความงามนะไอ้จริงๆอาจจะมีก็ได้ในที่นี้อาจจะกล่าวเป็นภาษาเท่านั้นเองนะเป็นลํำนวนทนั้นเองเหมือนว่าจะหางามก็สามโลกก็เหลือหาอะไรก็เป็นคำพูดไปเท่านั้นเองอ่ะ <c oughs> ก็แปลว่าสวยมากกันแล้วกัน <c oughs> <c oughs> พิคสุณีรูปนี้ เกิดที่เมืองสาเกตเหมือนกันครับเหมือนกับนางสุชาดาแล้วก็เป็นลูกเศรษฐีเหมือนกันในพระไตรปิฎกเอ่ยชื่อพ่อด้วยพ่อชื่อว่าเมคิยะเศรษฐีชาวเมืองสาเกตเมือง น, นี้่เป็นเมืองเศรษฐกิจเมืองใหญ่เรียกว่ารองจากเมืองสาวัตถีทีเดียว เนื่องจากว่านางเป็นคนที่มีรูปงามพ่อแม่ก็ตั้งชื่อให้ว่าอานโนปะมาสวยอย่างชนิดที่หาใครเปรียบได้ยากเอาอย่างนั้นก็นแล้วกันเนื่องจากว่านางนเป็นคนสวยมากกิติศัพท์ว่าเป็นผู้ที่มีรูปงามหน้าดูหน้าเรือมสายก็ฟ้งกระจายไปเมื่ออายุจเจริญเติบโตเหสมควรพอที่จะออกเรือนได้พวกลูกกษัตริย์ก็ดี ลูกพระราชาก็ดีลูกมหาหมาดก็ดีลูกเศรษฐีก็ดีก็ส่งพูดมาขอมาขอกันเป็นอันมากจนกระทั่งไม่รู้จะยกให้ใครนี่คล้ายๆกับพระนางอุบลวรรณเฉลีเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่านางนี้น่ะมีเนคขมมะสัญญาแรงมาตั้งแต่เด็กมีความรู้สึกต้องการบวช เห็นโทษของการครองเรือนโดยไม่ต้องมีใครมาสอนนางจึงบอกให้พ่อแม่ปฏิเสธพวกทูตที่ทรงเท่าแกมาขอเนี่ยว่าลูกไม่แต่งงานลูกจะบวชลูกจะบวชลูกจะบวชปฏิเสธมาจนกระทั่งหลายหลายพอสมควร <c oughs> ถึงเวลานางก็ได้ออกบวชและเพราะว่านางนั้นมีอินทรีย์อบรมมาดีเมื่อได้ฟังธรรม ซึ่งแสดงโดยพระพุทธเจ้านั้นนางได้บรรลุเป็นพระอนาคามีบุคคลในขณะฟังธรรมอันนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นเป็นพระอรหันต์เหมือนอย่างสองรายแรกเมื่อสักครู่นี้นะและเมื่อฟังธรรมแล้วก็เข้าสู่พิธีการบวชเมื่อได้บวชแล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในวันที่เจ็ดหลังจากการบวชก็นับว่าเร็วครับ ถึงจะว่าช้าไปเมื่อเทียบกับบุคคลอื่นบรรลุอรหันต์เจ็ดวันนี่ถือว่าเร็วมากก็ได้ความว่าบรรลุเป็นพระอริยเบื้องต้นสามก่อนบวชบรรลุเป็นพระอรหันต์หลังบวชเจ็ดวันนี่เป็นเรื่องของพระเทรีรูปนี้ซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าประวัติของพระเทรีลหลายรูปนั้น มีปัญญาเฉลียวฉลาดรูปงามประสบความสําเร็จในชีวิตตั้งแต่เกิดแล้วก็หลังเกิดบ้างในทางโลกโลกเนี่ยอย่า ง, ส, ง, ส, งสูงส่งสูงสุดกันเป็นนั้นมากแต่บังองค์ก็ก็แย่นะก็ได้เล่าไปบ้างแล้วแล้วก็ยังมีเหลืออีกที่จะได้เล่าต่อไปในชีวิตประสบชะตากรรมอย่างหน้าเรียกว่าบางบา ง, บางรายก็คิดฆ่าตัวตายบางรายก็เลือกเอาว่าจะฆ่าตัวตายหรือจะบวช นั่นที่จะได้เล่าต่อไปนะแต่ยังไม่ไม่ไม่ใช่องค์นี้องค์ถัดไปนะั้นเป็นองค์สําคัญที่เรารู้จักชื่อท่านดีก็อาจจะเล่ายาวนิดหนึ่งคือพระนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งภายหลังได้มาบวชเรารู้ว่าพระนางมหาประชาบดีโคตมีนั้นเป็นใครเป็นคนเมืองไหนถามว่าเป็นคนเมืองไหนใครตอบไม่ได้ต้องรีบไปอินเดียโดยด่วนจ้ะครับ เช้านาครเทวธะะหะน ะ, ะซึ่งเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับนคนกรกบิลพัทก็อยู่ไม่ไกลกันล่ะแล้วก็มีศักจรจริงไม่ใช่ศักเป็นน้องคลานตามกันมาของพระนางสิริมหามายาและเมื่อเกิดขึ้นนั้นโหนได้ทำนายดวงชะตาไว้ต้องการอันหนึ่งว่ า, าที่ดาทั้งสองพระองค์นี้ ดวงเหมือนกันคือจะได้ลูกชายที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิทายว่าอย่างนั้นนะไม่มีใครทายว่าเป็นพระบุตรเจ้าเราว่าปรามคงมือมือไม่ถึงโขนสมัยก่อนที่ตอนที่ทายเนี่ยนะก็ตอนหลังเนี่ยได้มาเป็นมาเหสีของพระเจ้าสุโธธนะด้วยกันทั้งคู่ พี่สาวคือพระนางสิริมหามายาได้ลูกชายคนเดียวลูกชายโทนใครมีใครไม่รู้บางใครพระพุทธเจ้าเนะยฮะนี่กลัวจะไม่รู้เลยตอบทำท่าไม่รู้ตอบพระพุทธเจ้าลูกชายโทนส่วนพระน้านางก็มีลูกชายคนแรกคือพระนัน พระนันทอา่อาก็เป็นเป็นบุตรชายที่ลูกชายที่เกิดหลังพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธมารดาประสูติพระโอรสได้เจ็ดวันเราก็รู้ว่าพระพุทธมารดาได้สวรรคตพระนาหนางก็ได้เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงที่เลี้ยงเหมือนกับลูกงตัวเองส่วนลูกของตัวเอ ง, ลอ ง, เองแล้วลูกของตัวเองให้ใครเลี้ยงในนั้นบอกว่าให้ ที่เลี้ยงนางนมเลี้ยงแทนก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย <c oughs> เหมือนเป็นลูก <c oughs> สองแม่นะะแม่หนึ่งเป็นแม่ให้กําเนิดแม่หนึ่งเป็นแม่เลี้ยงเลี้ยงอย่างเป็นลูกก็เลี้ยงจนกระทั่ง <c oughs> จเจริญเติบโตเหมือนกับลูกของตัวเองท่านก็ไม่ได้บอกว่ารักใครมากกว่ากันนะอะจนกระทั่งพระพุทธเจ้าออกบวช เมื่อออกบวชแล้วก็ได้เสด็จ <c oughs> กลับมาโปรโดประญาติในครั้งแรกประทับอยู่ที่นิโครตาลามนิโครตาลามเราไปไม่ถึงแต่มันอยู่ในแผนที่เป็นวัดที่เจ้าชายนิโครสร้างถวายพระพุทธเจ้าจา็เห็นจะมีต้นไทรด้วยนะต้นไทรคือต้นนิโครเออ่ผมก็ ไม่แน่ใจว่าอยู่อยู่ทางอยู่ทางขวามือของพระราชวังหันหน้าไปทางแม่น้ําโลหินีนะแม่น้ําสายที่แล่นผ่านหน้าพระราชวังอ่เมืองกบิลพัทของพระเจ้าสุโทธทนะคือแม่น้ําโลหินีแน่นอนที่ผ่านตรงนั้นแล้วก็ถ้าเราหันหน้าไปทางแม่น้ําโลหินีวัดนี้จะอยู่ทางขวามือเฉียงไปทางเหนือหน่อยพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่นั่นแล้วก็วันหนึ่งก็ทรงเสด็จออกมาบินธบาต พระเจ้าสุโธธนะได้ข่าวก็กลัวจะเสียหน้าพรราชาสัมแลวกลัวจะเสียพระพักฟังพิลึกหน่อยก็ออกไปห้ามลูกถึงระหว่างถนนเลยกลางถนนพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัอพ่อบอกว่านี่ทาให้เสียวงพุทธเจ้าบอกว่าทำตามวงอ้างคนละวงกันพ่อนะหมายถึงวงศั ก, กยะพระพุทธเจ้าหมายถึงพุทธวงแล้วก็จึงได้แสดงธรรมให้ฟัง พ่อบรรลุเป็นพระโสดาบันกลางถนนเลยนี่เป็นอีกคนที่บรรลุธรรมบรรลุธรรมะกลางถนนนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เสด็จกลับและได้บรรลุเป็นพระอรหันในการต่อมาเรียกว่าบรรลุเป็นพระอรหันในสเสวนาจัดอย่าปรินิพานไม่ได้มีโอกาสบวชนะอายุไขหมดพระผู้มีพระภาคได้ทันส่งเสด็จอนุ ป, ปาทิเสสนิพานแก่พระพุทธบิดาด้วยในประวัติว่างั้น อ่คราวนี้เมื่อพระพุทธบิดาปรินิพานแล้วเนี่ยพระนางมหาประชาบดีก็เรียกว่าหมดห่วงไปกันหมดแล้วพระนางมหาประชาบดีจึงมีความประสงค์จะบวชพระนางมหาประชาบดีเนะ่ะในประวัติไม่ได้บอกว่าบรรลุเป็นพระโสดาบันก่อนบวชนะ ก็ไปขอพุทธานุญาตบวชเมื่อพระผู้มีพระภาคยังประทับอยู่ที่นิโครตาร า, ามอันนี้จะได้ถ้าเราอ่านในประวัติเราอาจจะจะเห็นงงว่าเอ๊ะทาไมไปไปไ ป, ไปบวชที่เมืองเวสาลีที่เอป่ามหาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่กุดาคารทําไมไม่บวชที่เมือง <c oughs> กบิลพัฒน์เพราะว่าครั้งแรกเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ทรงมีพุทธานุญาตในบวช พนางก็เสียอกเสียใจถึงขั้นร้องห่มร้องไห้ปรนนาวางันเลยในเวะวินยัยก็นางมีความปรารถนาจะบวชก็บวชเองอ่ะไม่เป็นภิกษุณีปลอมอยากจะบวชมากให้ช่างกลระบบมาปลงผมห น, งหนุ่งผมผ้ากาสายะอย่างที่เห็นเป็นตัวอย่า ง, างจากพุทธเจ้าแล้วก็บริวารอีกห้าร้อยก็ทำตามซึ่ง ในระหว่างนั้นนะพระผู้มีพระภาคทรงสเสด็จไปประทับอยู่ที่เมืองเวสาลีเลยระยะทางในคำพีว่าห้าสิบเอ็ดโยต์สี่ร้อยเส้นเป็นหนึ่งโยต์คูณคูณออกก็แล้วกันว่ากี่พระนางนะก็นึกว่ายังไงก็จะต้องขอบวชให้ได้จึงพาบริษัทบริวารเนี่ยจาริกไปเดินทางไปทีแรกก็ในวังจัดเสลียงให้ นางเห็นว่าไม่เป็นการเคารพพระพุทธเจ้าจึงเสด็จไปด้วยเท้าเปล่าคนวังแล้วก็จะต้องมาเดินทางไกลด้วยเท้าเปล่านะลำบากมากเท้าแตกในนั้นพาลณนาว่าเนื้อตัวเนี่ยกำมอม ก, ก, กำมอมกำแมมไม่ได้ฝุ่นทุลีไปทั่วหน้าทุกองค์เดินทางปานไปทางไหนก็พวกอ่าพราชาเมืองเล็กเมืองน้อยผู้คลองหมู่บ้านก็จัดเสบียงให้เดินทางไปต่อๆกันจนกระทั่ง สดเสด็จไปถึงอป่ามหาวันก็เข้าไปหาท่านอา น, นุ์ขอให้พระอา น, นุ์เนี่ยได้ช่วยขอร้องพระผู้มีพระภาคให้มีบุตรานุญาตในบนุต <c oughs> รพระอ น, นุนก็เข้าไปขอร้องด้วยอ้างบุญคุณที่ได้ชุบเลี้ยงมาจนกระทั่งพระผู้มีพระภาคก็ทรงอนุญาตในบนุตถึงขนาดว่าตอนไปไปรอฟังคําคําตอบเนี่ยนะ ร้องพากันร้องโหม่ร้องไห้ยอยู่ที่หน้าหน้าวัดนะ่ะสภาพมอมแแมมเท้าแตกเลือดสกพรานนท์ก็ไปเล่าให้พระผู้มีภาคฟังความจริงเนี่ยท่านบอกว่ายังไงก็จะต้องบวชอยู่แล้วพระพุทธเจ้าห้ามไปด้วยเหตุผลบางอย่างเท่านั้นเองเพราะอย่างไรเนี่ยประเพณีพุทธเจ้าทุกองค์นั้นบริสัทจะต้องมีสี่ไม่ใช่มีสามองคก์กรก็มีสี่ องไหนองไหนก็ไม่สิแต่ว่าองค์นี้น่ะที่ท่านทําอ่าประหนึ่งว่าจะเกี่ยงงอนไม่อยากให้บวชเนี่ยเพื่อสร้างเป็นข้อแม้ให้ภิกษุณีนั้นเห็นความสําคัญเห็นค่าของการบวชไม่ใช่บวชอย่างหล่อแหละท่านกลัวว่าจะหลอดแหละก็จึงจึงตั้งเงื่อนไขขึ้นมาทําำด้วยกุรุธรรมแปดประการพอ มีพุทธานุญาตในบวชทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันทั่วหน้ามีความสุขเป็นข่าวที่เหมือนลงมาจากสูงสวรรค์ทีเดียวจึงได้บวชแล้วก็เมื่อได้บวชแล้วไม่นานทั้งพระนางมหาพชรประชาบดีและภิกษุณีที่ออกบวช ด, ด้วยกันนั้นได้บรรลุธรรมหลังจากบวชในเวลาไม่นานที่เมืองเวสาลีนั่นเองอันนี้ไม่ได้ร ะ, ะบุวันไม่ได้ระบุวันไว้ได้คําว่าบรรลุไม่นานเราก็คงจะบอกไม่ได้ แต่ว่ายังไงเสียก็คําว่าไม่นานนั้นคือไม่เกินหนึ่งพรรษาให้เต็มดี่นะไม่เกินสามเดือนในคําว่าไม่นานเนี่ยอาจจะบางคนเร็วบางคนช้าหน่อยก็ได้นางจึงได้บรรลุอย่างนี้องค์ถัดไปครับองค์ที่ห้าสิบหกองค์ที่ห้าสิบหกนั้นชื่อว่าพระนางคุตตาเถรีพระนางคุตตาเถรีนั้นเป็นบุตร พรามมหาศาลคือเป็นลูกพราหมเ์เศรษฐีชาวเมืองสาวัตถีกล่าวหน้าผมจะสรุปเป็นตำนองบัญชีให้ดูนะฮะเคอทําเป็นบัญชีทีเดียวในะที่แรกก็จะทําแต่ว่าไม่ได้พิมพ์เองให้เขาพิมพ์ก็กลัวจะขรรมบากพิมพ์เองผมก็ใช้วิธีตัดๆัดเนาะแป ะ, แ, ปะแล้วก็ถ่ายไหมหดูนี่ให้เขาพิมพ์เนี่ยก็อาจจะลําบากเพราะมจะต้องมีการตัดเติมอะไรถ้าพิมพ์เองมันทําได้สะดวกหน่อย ก็เลยต้องทำเป็นแบบสะดวกด้วยกันทุกฝ่ายว่าอพิษุณีเหล่านี้ใครเป็นชาวเมืองไหนแล้วจ ะ, วจะได้ประเมินกลุ่มบุคคลว่าในฝิบหกแคนทำไมพู้ทเจ้าเนี่ยพวกไหนเมืองไหนบรรลุมากที่สุดแล้วใครบรรลุเร็วบรรลุช้ามีความเป็นมาอย่างไรนี่ก็จะเป็นข้อสรุปที่ทำให้เราแม่นยำหรือได้ข้อสังเกตในทางอุทาหสนใจแก่ อคนรุ่นเราได้เป็นอย่างดีนี่มาว่าถึงอพระภิกษุณีรูปนี้ต่อภิกษุณีรูปนี้น่ะเป็นผู้ที่เกลียดการครองเรือนมาตั้งแต่จําความได้เรื่องนี้น่ะเห็นจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะักเพราะคนที่มีความรู้สึกรังเกียจอะไรอะไรในเชิงคุณธรรมเป็นพิเศษตั้งแต่เด็กเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มี ทั้งผู้ชายผู้หญิงแหละครับบางคนก็เกลียดที่จะเกิดเป็นผู้หญิงตั้งแต่รู้จําความได้แต่เขาก็ยังเป็นผู้หญิงไม่ได้เป็นกระเทยนะแล้วก็เจอหน้าก็เห็นเคยคุยเนี่ยผมเคยเจอหลายคนบอกว่าเนี่ยไม่ชอบเป็นผู้หญิงอยากจะเป็นผู้ชายแล้วบางคนก็ไม่ชอบการบวชตั้งแต่จําความได้อ่าไม่ใช่ไม่จะเราะการบวชไม่ชอบการคลองเลือดตั้งแต่จําความได้ ก็มีอยู่เดี๋ยวนี้ใกล้ๆสถานที่ทํางานอยู่ใกล้ๆที่เนี่ย <c oughs> ก็อาจจะมีไม่มากนักแต่ก็ต้องนับว่ามีถ้าในสมัยพุทธกาลนะคงจะมีอยู่เยอะและในที่สุดก็ได้มาขอบวชในสํานักของพระนางมหาประชาบดีโคตม <S <s ถีถ้าถ้าบอกว่ามาขอบวชในสํานักพระนางมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยก็แน่นอนแล้วครับว่าจะต้องเป็นภิกษุณีที่บวชภายหลัง ภายหลังจากที่พนางประชาบดีโคตมีบวชแล้วแล้วก็เป็นเจ้าสํานักใหญ่แล้วที <c oughs> นี้เมื่อมาบวชแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันเกิดจะไม่ใช่ง่ายอย่างที่ที่ตัวเองศรัทธา <c oughs> น, นี่ก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะว่าคนบางคนเนี่ยไอ้บวชเหมือนเล่นเล่นแต่เวลาบรรลุก็บรรลุเหมือนเล่นเล่น <c oughs> เหมือนเล่นเล่นก็บรรลุจริงๆนะแต่มันเหมือนเล่นเล่นง่ายๆนะไม่ลําบากยากเย็นแต่บางคนเนี่ย มีความคิดจะบวชตั้งแต่จำความได้แต่พอบวชเข้ามาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นบรรลุยากก็ก็มีทุกทุกประเภทนะเราก็ต้องนึกไกวไปไกวามามีทุกประเภทบางคนก็มีความรู้สึกอยากบวชตั้งแต่เกิดแล้วก็บวชแล้วก็บรรลุง่ายๆก็บวชบรรลุตั้งแต่ก่อนบวชก็มีแต่ว่าาพระนางองค์นี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่ดีนะอผมเลยอยากจะอ่าน ข้อความที่ท่านเล่าเอาไว้ให้ฟังสนิดหนึ่งก็เป็นข้อความไม่อยากมาก <c oughs> นางคุดตาเถรีเมื่อได้บวชแล้วปรากฏว่าถูกความคิดที่แข่งออกไปภายนอกกุ้มหลุมหมายความว่าไม่สามารถที่จะควบคุมกิตให้อยู่ ในเนคขมมะในการบวชอย่างวิสัยของคนบวชใจอยากบวชกายก็บวชแล้วแต่กิเลสมันอยากจะศึกมันมากวนอยากให้ฝึกแล้ววิธีกวนของมันก็คือกวนยังไงรู้ไมะนี่พูดถึงว่ากวานอย่างชนิดที่ไม่ทําให้เสียศีลนกนะวนอย่างทาให้เสียดีงคือไปเอาอะไรแต่ อ, อะไรที่มันเป็นวัตถุกลางเข้ามาอย่างหนังสือพิมพ์ลงนะ ถ้ ก, กวนยังไม่เสียสิ่งคือใจมันแขว่งออกไปข้างนอกสร้างมโนภาพคิดเป็นตูเป็นตะเ ร, นนเรื่องนู้นเรื่องนี้เกี่ยวด้วยเรื่องรูปรถกินเสียงผูกเสื้อร้าอารมณ์ที่เป็นเรื่องเบญจกามกุลอารมณ์นางต้องต่อสู้ด้วยความเหน็ดเหนื่อยกับความคิดที่ฟุ้งออกไปภายนอกสู่เบญจกามกุลอารมณ์อย่างนี้พระผู้มีพระภาคทรงทราบด้วย เจโตบริย า, ยานก็ได้ทรงกระทํานิมิตโอภาสออกมานี้เป็นอีกองค์หนึ่งและได้ตรัสสอนแก่พระนางคุตตาเถรีสอนเพื่อรังงความคิดฟุ้งซ่านภายนอกให้ขาดเมื่อความคิดฟุ้งซ่านภายนอกขาดนางซึ่งรู้กรรมฐานอยู่แล้วก็สามารถที่จ ะ, จ ะ, จะเจริญกรรมฐานจนกระทั่งบรรลุเป็นพระอราหันต์ได้ในตอนนั้น อ่ในในคำพีไม่ได้ระบุไว้ว่าหลังจากบวชแล้วนานเท่าไหร่ก็เห็นจะนานจนไม่อยากจะนบับวันนะต้องต่อสู้กันนานแค่นั้นอันนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยบางทีท่านก็รู้ว่าคนที่รู้หลักอยู่แล้วปฏิบัติด้วยความเลื่อมใสแล้วเวลากิเลสมากวนข่มไม่ได้เนี่ยคืงไม่มีอุบายนะอันนี้เป็นข้อนาคิดว่าคนที่รู้หลักอยู่แล้วเนี่ยไอ้รู้หลักใะอันหนึ่ง ไม่รู้เท่าทันกิเลสก็มีรู้เท่าทันแล้วก็ไม่คิดปราบก็มีปล่อยแล้วก็รู้เท่าทันคิดปราบแล้วไม่รู้วิธีปราบก็มีรู้วิธีปราบปราบยังไม่ได้ทันทีก็มีปราบได้ทันทีก็มีนะนี่ถ้ากรณีของคนที่เป็นกรรมฐานอยู่แล้วทุกอย่างพร้อมแล้วแต่ว่าไม่รู้วิธีปราบกิเลสหรือปราบไม่ได้แต่นางนะพูดแล้วว่าไม่รู้วิธีปราบไม่ได้ทั้งที่รู้นี่เป็นกิเลสพระพุทธเจ้าก็จะทรง ทมนิมิตโอภาสมาสอนด้วยการด้วยการแนะวิธีปราบกิเลสและเมื่อปราบกิเลสได้ก็ทรงปล่อยนางก็ปฏิบัติทมต่อบรรลุเป็นพระอรหันต์นี่พวกนี้แหละครับที่เรียกว่าเป็นพว ก, พวกทุกขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาแปล ว, ว่าผู้ปฏิบัติลำบากคำว่าลำบากไม่ได้หมายถึงวิบากทำให้ลาบากแต่กิเลสทำให้ลาบาก แต่บางทีไอ้วิบากกิเลสมันก็ของจูงมือกันมาแต่ในทางสาระเนี่ยท่านเอาความลำบากได้กิเลสลำบากมันมีสองอย่างลำบากด้วยกิเลสอันหนึ่งกับลำบากด้วยวิบากอันหนึ่งไอ้ของเราเนี่ยเราถือเอาลำบากด้วยวิบากเป็นสาระสําคัญแต่ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านถือเอาความลำบากได้กิเลสเป็นสาระสําคัญถ้าวิบากใดเป็นปัจจัยแก่ กิเลสวิบากนั้นทำให้เกิดความลำบากด้กิเลสทั้งทั้งอิทธาลมอา น, นิธาลมทั้งกุศลนิบาต ก, กุศลนิบากนะถ้าวิบากใดวิบากนั้นไม่รู้ว่าเป็นวิบากทำให้ลำบากอย่างเช่นว่าอยู่ๆเราไปเห็นญาติเราตายแล้วเกิดสลดสังเวตวิบากอย่างนี้เป็นอกุศลนิบากใช่ไม่ใช่แต่ทำให้ลำบากหรือทำให้ไม่ลำบากทำไม่ให้ลำบาก หรือคนที่ได้อิทธาลมเป็นสัพพายะแล้วก็ได้กำลังปฏิบัติธรรมนะะเช่นว่ามีโลกหายโลกเอาง่ายๆเี่นะได้กาลังปฏิบัติธรรมเดี๋ยวจะมี อ, อยู่ลายนะจะไา ย, ยกตัวอย่างให้ฟังอย่างนี้เป็นวิบากฝ่ายดีที่ทำไม่ให้ลาบากมันเพิความสบายไปสะตั้งคอนไม่ใช่ทิ้งหมดนะตั้งคอน ขอนแครไหนก็คิดเอาเองแล้วกันมันถึงจะเจริญในธรรมได้ถ้าอย่างทิ้งความสบายบางอย่างทิ้งกุศลนิบาศบางอย่างไม่ได้บางทีบวชไปแล้วมันมาแล้วเรายั้งไม่อยู่เนยไปตะกลุ่มตะกลา ม, มาเอากุศลกรรมาฐานร้อนอยู่กับกรรมาฐานไม่ได้ขอให้เนื้อคู่นั่นเป็นของดีใครก็จะว่างไงก็ช่างเขา ต่อไปพระนางที่ชื่อว่าวิชยาพิวิชยาภิสุนีพิษุณีรูปนี้ท่านเป็นชาวเมืองราชคฤห์เป็นคนที่เกิดในสตรูลชะสกุลสูงสตรีสูงศักดิ์ในเมืองราชคฤห์และเป็นเพื่อนของนางเขมาก็นางเขมา เราได้บูดแล้วพระนางเขมาสมัยยังไม่ได้บวชเนะยก็เป็นเพื่อนกันพอพระนางเขมาบรรลุเป็นพระอรหันต์ออกบวชนางเห็นเพื่อนออกบวชก็บวชตามก็เห็นจะด้วยปลาลบว่านางน่ะสูงสักประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งในตัวเองทั้งในชีวิตครอบครัวถึงขนาดนี้ นางยังออกบวชชะลอยว่าการบวชจะต้องมีดีจึงได้ออกบวชและเมื่อได้ฟังธรรมะที่เพื่อนแสดงให้ฟังก็เกิดความลืมใสหลังจากบวชแล้วไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ที่ถึงพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาญาณทั้งสี่ประวัติของหนงังรูปนี้เขามีเะนีนะต่อมาอีกองค์หนึ่ง ชื่อว่านางอุตราเถรีพระนางอุตราเถรีเป็นชาวเมืองสาวัตถีเป็นคนที่เกิดในสกุลปกตทิทั่วไปนะก็ไปฟังธรรมะในสำนักของพระนางปาตาจาราเมื่อได้ไปฟังธรรมะแล้วก็เกิดความเลื่อมใส มาเกิดความเลื่อมใสแล้วก็บวชเกิดชีวิตของนางนะั้นไม่ได้ผ่านการมีย้ามีเรือนอะไรมาเมื่อได้บวชแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ปฏิสัมพิธานี่เป็นอาหารหันต์ชั้นดีอีกองค์หนึ่งนี่ก็เป็นเป็นประวัติของพิคคูนีรูปนี้นะฮะนาจะอ่านคําพูดของนางให้ฟังก็เห็นยาวไปเลยเปลี่ยนใจไม่อ่านแล้วกันนะ <laughs> อ่าบางทีบางองค์ก็ยาวองค์ก็สั้นอ่าพออ่านแล้วเดี๋ยวจะต้องอธิบายเลยไปยาวเป็ใหญ่ไปดูอีกองค์หนึ่งครับพระนางภิกษุณีสามรูปต่อไปนี้ชื่อคล้ายกันเลยคือนางจาราเถรีนางอุปจาราเถรีนางสีสุปจาราเถรีชื่อคล้ายๆกันเนี่ยเพราะว่านางทั้งสามนี้เป็นพี่น้องกันตามลำดับ จาราเป็นพี่คนโตประจาลาเป็นพี่คนรองสีสุปาจาลาเป็นพี่คนสุดท้ายไอ้ะรื่อนี้เราสังเกตว่าาภาษาไทยเราเนี่ยเราจะเรียกพี่คนโตว่าหัวหัวปีแต่ทางสมัยก่อนเนี่ยเรียกคนเล็กว่าหัวสีีษาเรีล้ว่าหัวหัวปีกลายเป็นคนสุดท้ายไป ก็แปลกปรับกับเราสามคนเนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นใครแล้วครับเป็นน้องสาวของพระสารีบุตรเถระครอบครัวนี้พี่น้องของพระสารีบุตรเนี่ยรวมท่านพระสารีบุตรด้วยมีทั้งหมดกี่คนครับเจ็ดน้องชายสามน้องสาวสามเจ็ดคนก็มีท่านอุปเสสนะ ท่านจุนทะท่านเรวตะตามลำดับแล้วก็น้องสาวอีกสามคนพระสารีบุตรเป็นพี่คนโตและทั้งหมดได้มาบวชและบรรลุเป็นพระอราหันต์หมดเลยเป็นพระอราหันต์หมดเลยเห็นว่าพี่ชายออกบวชและได้รับความสาเร็จจากการบวชอย่างสูงส่งจึงพากันออกบวชทิ้งแม่อยู่บ้างคนเดียวอักตันยูเปล่า ไม่มีใครเลี้ยงแม่ท่าคนนึงบอกไม่ต้องเลี้ยงรวยอยู่แล้วแม่รวยอยู่แล้วข้าทาบบริวารเต็มบ้านไม่มีใครคิดจะเอาทรัพย์ศินเป็นทายาทสืบต่อกองมรดกเลยเนี่ยพวกนี้น่ะแปลกอย่างคือถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ก็เกี่ยงกันเอเอเองบวชจะเอามรดกเองต่างคนก็ต่างเกี่ยงกันจะไม่บวชไอไปบวชแล้วบางทียังห่วงเลยครับไอตอนที่พ่อแม่กำลังลาธรรมธาตว่าใกล้จะตายเนี่ยไม่กล้า บ, บวช รวมใบวชเพลินไปเดิ้ไอ้ที่เหลือพี่น้องที่เหลือมันแย่งมันงุกนิดแล้วแบ่งสมบัติไม่ยุติธรรมแก่ตัวหรือโกงตัวไปแต่ว่าสมัยก่อนเขามาอย่างนั้นอันนี้หลายลายถ้าเป็นสามีภรรยาก็เกี่ยงกันให้เป็นฝ่ายรับสมบัติ<ห>อย่างเช่นพระนางธรรมทินากับอวิสาขาโอบาศกนะฮะแล้วก็ยังพี่น้องของพระสารีบุตรเกี่ยงกันเกี่ยงกันที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งอยู่ ในตามภาษาของคนที่ก็มีบารมีเป็นอย่างนี้ไม่ได้เห็นคุณค่าของเบญจากรรมาคุณเหมือนดังที่ชาวโลกเขาเห็นกันในที่สุอก็บวชพ่อแม่แมนะเสียใจเสียใจว่ามีลูกกี่คนกี่คนบวชหมดเพราะพี่ชายคนโตคนเดียวเลยเกลียดศาสนาพุทธเลยมันก็น่าเจ็บใจแทนนั่นลูกกี่คนกี่คนบวชหมดเัราะพี่มายคงสาคนวเลยเกลียดศาสนาพมันาบนวชหมดแม่สิ้นหวัง และคนอินเดียเนี่ยเขาคล้ายๆจีนน ะ, ะถือว่าครอบครัวสกุลเป็นเรื่องใหญ่ก็เลยหันหลังให้วัดฉะลอยว่ากลัวจะเอาตัวไปหมดหรนะืแต่ในที่สุดเนี่ยแม่ก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันคือลูกเป็นอรหันต์หมดแต่แม่เป็นแค่โสดาบันตอนที่ภาษาลิบุตรจะปาริณี่านนะะ ที่ที่มีสถูปใหญ่อยู่กลางมไมวลายนาลันทาเดี๋ยวนี้นะครับนั่นแหละครับคือที่ที่พระสารีบุตรประนีปรานและที่ที่พระสารีบุตรเกิดแล้วก็ที่ที่แม่ของพระสารีบุตรเป็นพระโสดาบันพ่อเนี่ยผมก็ยังตั้งปัญหาว่าบรรลุอะไรหรือเปล่ายังไม่เจอหลักฐานพ่อนะเห็นชาจะตายไปก่อนน่ะเลยพลาดจากพระมาจันทร์อันเปรตนี่นี่ก็เลยเลยบรรลุกันหมดแม่ หนึ่งหลูกองค์องเล็กองค์ที่ชื่อว่าศีสุภาจาจาราเนี่ยเนื่องจากว่าเคยเกี่ยวข้องกับมารเคยเกิดบนสวรรค์ทั้งหกชั้นมารู้จักมากคุนดีมารก็เข้ามาชวนว่าเนี่ยประพฤติรมอาจา ร, รย์เนี่ยขอให้ตั้งเจตนาไว้ดีนะั่นะจะได้ไปอยู่ร่วมกันอีกบนสวรรค์ตายแล้วจะ ไ, ไปอยู่บนสวรรค์นางก็ตอบมารว่าเราไม่ไปเกิดที่ไหนอีกแล้วสังสารวัตรเนี่ยเราถอนแล้วอะไรแล้วก็แสดงธรรมะเป็นการข่มมาร เ <c oughs> นี่ยท่านทั้งหลายเหล่านี้บรรลุเป็นอรหันต์เหมือนกันหมดในไม่ช้าทีเดียวนะท่านว่าไม่ช้าไม่ได้บอกวันไว้แน่ชัดเหมือนอย่าง อ, าองค์พระเถระผู้เป็นพี่ก็เลยเล่ารวมกันไปครับตั้งแต่องค์ที่ห้าสิบเก้าหกสิบสิบเอ็ดต่อไปองค์ที่หกสิบสององค์ที่หกสิบสองคาวัฒมาตุเถรี ถ้ามีคำว่ามาตุน่แปลว่าแม่ผู้เป็นแม่แม่ของวัะกูมานคือมีลูกชายชื่อว่าวัทกะจึงได้เรียกชื่อของพระเทลีนี้ว่าแม่ของวัทก์ท่านภิกษุณีที่ชื่อวัทกะมาตุเป็นชาวเมืองพารุกัจจานคร ที่ผมก็ไม่รู้กันอยู่เมืองอยู่แคว้นไหนยังไง ร, รายละเอียดนะเพราะว่าในนี้บอกว่าในพ า, ร, านรุกัจจานครก็ก่อนบวชเนี่ยนางก็มีมีลูกแล้วนะตามชื่อได้บอก เ, อเมื่อมีลูกแล้วโดยธรรมดาเนี่ยผู้เป็นแม่จะต้องรักลูกห่วงลูกแต่เพราะว่านางเองนั้นมีนิสัยในทางบวช แต่ไปหลวมตัวแต่งงานแต่งการซะก่อนก็ตัดสินใจว่าเราจะต้องบวชทั้งที่ลูกยังเล็กอยู่ยกลูกให้ญาติเลี้ยงแม่จะไปบวชแหละก็ไปบวชปรากฏว่าเป็นพระอรหันต์อย่างรวดเร็วเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วลูกเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็ตามไปบวชบวชตามแม่แล้วก็ไปอยู่วัดเดียวกัน แต่ว่าอยู่เมื่อก่อนเนี่ยเขาแบ่งซี่คือยังมีข้อห้ามในทางวินัยเย่างครับตอ น, นี้ลูกตอนนั้นตอนบวชยังเป็นทาสปุตชชนอยู่วันหนึ่งก็ไปหาแม่ด้วยความคิดว่าแม่ไม่เป็นไรหรอกแต่แม่เนี่ยเป็นอาหารเคารพวินยัยก็บอกลูกว่าทำไมลูกมาเยี่ยมในเวลาอย่างนี้ในเวลาไม่สมควรมาคนเดียวกลัวคนอื่นเขาจะติกินนินาก็แสดงธําโปรดลูก จนลูกนะ่ะเกิดแรงบันดาลใจไปหลีกเล้นปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ไปอีกคนนี่แม่ทำให้ลูกเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวจะมีลูกทำให้แม่เป็นพระรอรหันต์นางได้โอวาสสอนลูกยาวนะะผมผมอ่านคําของนางที่สอนลูกให้ฟังพระ วัฏทมาตาเทรีเมื่อจะกล่าวตักเตือนพระวัฏทธีระได้ภาสิทธิ์ว่าดูก่อนท่านวัฏทะผู้เป็นบุตรกิเลสดุดหมู่ไม้ในป่าอย่าได้มีแก่ท่านในโลกในการไหนๆเลยท่านอย่าเป็นผู้มีส่วนแห่งทุกข์ร่ำไรเลยมุนีทั้งหลายเป็นผู้ไม่หวั่นไหวตัดความสงสัยเสียได้ เป็นผู้มีความเยือเกเย็นถึงความฝึกฝนแล้วไม่มีอาสวะย่อมอยู่เป็นสุขท่านพึงเพิ่มพูนมัชยอันฤาษีเหล่านั้นสั่งสมแล้วเพื่อการบรรลุทัศนะเพื่อการทําที่สุดแห่งทุกข์พระวัตถะเทระกล่าวว่าข้าแต่มารดาผู้มีความแกล้วกล้ามารดาย่อมกล่าวเนื้อความนี้แก่ฉันฉันเข้าใจว่า ป่าคือความรักในฉันย่อมไม่มีแก่ท่าน <c oughs> พระเทลีตอบว่าดูก่อนท่านวัฏทะ <c oughs> สังขารอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสังขารเลวอุกฤษและปานกลางย่อมไม่มีแก่เราแม้แต่น้อยแม้ป่าเพียงเล็กน้อยในสังขารเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่เราเพราะอาสวะทั้งปวงของเราผู้ไม่ประมาทแล้วเพ่งอยู่สิ้นไป วิชาสามเราได้บรรลุแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราได้กระทําเสร็จแล้วพระวัฒทเทะเระกล่าวว่ามารดาของเราแทงเราด้วยปตักอันใหญ่หนอมารดาของเราได้กล่าวภาษาอันประกอบด้วยประโยชน์อย่างยิ่งเหมือนคนที่อนุเคราะห์แก่กันฉะนั้นเราได้ฟังคำท่ามสอนของมารดาแล้วเราได้ยังทำมาสังเวชให้เกิดขึ้น เมื่อบรรลุษทำปลอดโปร่งจากโยคะเราเป็นผู้อันมารดาตักเสือนแล้วมีใจส่งไปแล้วเพื่อความเพียรไม่เกลียดคร้านตลอดทั้งกลางวันและกลางกลางคืนได้บรรลุสันติสูงสุดได้บรรลุนี่หมายว่าเป็นทหารได้คําสอนของแม่ไม่ได้แปลว่าบรรลุในที่สอนนะแม่ได้สอนอะไรอะไรต่รางๆให้ฟังแล้วลูกก็หลบเล่นไปสู่ที่หลีกเล่น ปลอบพืชวิปัสสนากรรมฐานจอบรุเป็นพระอรหันต์ด้วยอาศัยแม่ในเรียกว่าเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดโดยตวิชาตให้เกิดในทางกายเนื้อแล้วก็ให้เกิดในทางกายธรรมด้วยแม่อย่างนี้ประเสริฐจริงๆเราก็อยากจะไปเกิดและได้รู้แม่อย่างนี้แล้วเกินนะะจะได้สบายหลายอย่างนะะอะนี่ก็เป็นประวัติของพระนางเทรีรูปนี้ อีกองหนึ่งองที่หกสิบสามชื่อว่าพระนางกีสาโคตมีพระนางกีสาโคตมีได้รับยกย่องจากพุทธเจ้ า, จาว่าเป็นผู้หม่มนุ่งห่มสมองใช่ไหมเป็นเอตทัคคะด้านนั้นแล้วก็ชีวิตของนางนั้นก็ค่อนข้างจะจะลําบากนะฮะลำบากตั้งแต่เกิดแล้วก็มาสบายอยู่ช่วงเมื่อออกเรือนพอออกเรือนก็มาลําบากอีกครับพอลูกตาย แล้วก็ถึงมาสบายอีกทีอากุศลด้วยบากส่งเข้าวัดนางกีสาโคตมีกีสาแปลว่าผอมนะอันนี้ก็อาจจะได้เคยเล่ามาแล้วละ่ะโคตมีนะเป็นเป็นชื่อตัวนางเป็นลูกของคนเขียนใจชาวเมืองสาวัตถีเช่นเดียวกั น, กนครับเป็นลูกของคนเขียนใจคือยากจนเขียนใจอ่าทันนี้ก็ที่มาได้ดีตอนหลังเนี่ยก็เนื่องจากว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งจะเกิดหมดบุญ ทรัพสมบัติแกกลายเป็นฐานไปหมดเพื่อนคนหนึ่งรู้เคล็ดลางก็บอกว่าเอาไอ้ทรัพสมบัติแล้วเนี่ยไปวางแถ่ในเสื่อลําแพนข้างถนนแล้วก็ลองขายลองขายแล้วก็บอกว่าถ้าไปเจอคนที่มีบุญเกื้อกูลกันมาเนี่ยเขาแกมามาเห็นแล้วเขาจะเห็นไอ้ฐานเนี่ยเราเป็นทองถ้าใครมาเห็นฐานเป็นฐานคนนั้นคงไม่ได้เกื้อกูลกันมา ก็ไปนั่งขายคนก็ผ่านไปผ่านมาเห็นเป็นฐานทังนั้นนางกีสาโกธมีเห็นฐานเป็นทองก็รู้แล้วว่านี่คนที่จะมาก่อกู้ฐานะของเราก็อบอกคนนี้ยกให้หมดเลยถามว่าเป็นไงเราบ้านจองอยู่ไหนออก็เล่าให้ฟังเป็นลูกคนยากจนถามว่ามีเยาว์มีเรือนหรือ ย, ยังบอกยังบอกแต่ยางนั้นก็ดีแล้วจะขอไปเป็นลูกสะภย้ยแล้วก็จะยกสมบัติให้หมดเลยที่เหลือก็จะขอแบ่งกินแบ่งใช้บ้าง อันนี้ก็เป็นคนซื่อสัตย์ดีนะฮะพอมาทำฐานให้เป็นทองแล้วก็แปลธาตุในเสร็จแล้วก็ไลเ่เฉดถัวเกี่ยวบ้านก็มาแต่งงานกับลูกชายตัวจนกระทั่งมีลูกเขอเพิ่งหัดเดินกลาลังน่ารักอยู่วกับอยู่ๆก็เกิดตายแล้วพอลูกตายเนี่ยครับอกุศลด้วยบากทำให้นางต้องได้ไปพบธรรมะก็เสียใจถึงขนาดเป็นบ้า ได้คิดว่าเราทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วปอบไม่เชื่อว่าลูกตายนี่ประวัติเราก็รู้อยู่แล้วนะฮะไม่เชื่อว่าลูกตายไปเที่ยวอุ้มก็โดยความบ้าแหละครับคนก็ตั้งกอดังเกตอุ้มจนลูกเนา่าจนกระทั่งมาพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ให้ไปหา ย, ยาตำรับยาแก้บ้าเม็ดพันประ ก, กาศบ้านคนที่ไม่ตายความจริงอาจจะมีนะบ้านคนไม่ตายเพราะไม่เชื่อว่าบ้านคนจะต้องตายไปหมดบ้านจะปลูกใหม่ๆอา จ, จะไม่ตาย ที่มมหมายถึงคนตายในบ้านนะั้นแต่ว่าพระพุทธเจ้าคงจะรู้แล้วคงจะดนจิต ด, ดนใจให้ไปที่บ้านที่มีคนตายคือสมัยก่อนอาจจะมีบ้านคนเก่าๆอยู่กันแบบไอ้สังคมไม่แตกสลายเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้ไอ้สมัยนี้หาบ้านคนไม่เคยตายจะมากกว่าบ้านคนตายกันเลยย้ายบ้านเรื่อยเดี๋ยวก็ขายหลังนี้ไปซื้อหลังนูง้นเร่งเร่งกันไปเร่งกันมาเลยอ่อันนี้สมัยก่อนไม่เหมือนอย่างนี้ ก็ก็ไม่เจอพอไม่เจอเนี่ยอันนี้อันนี้เราฟังเป็นที่ใน่ชัดด้วยอันหนึ่งว่าพอไปถามว่าบ้านไหนก็ไม่มีบ้านที่คนไม่ตายคนที่กําลังมีทุกข์เนี่ยมักยันนึกเข้าข้างตัวเองว่าคนอื่นเข้าม่เป็นทุกข์อย่างตัวนะฮะไอ้กิเลสฝ่าฝ่ายยึดมันก็คิดยึดอย่างที่เล่ามาเรื่องนางเก๋มาคิดเข้าข้างตัวเองเป็นอย่างในทางดีมีทองถนวดกุ้ง ก็สะดุ้งอยู่คนเดียวฮิตในข่าข้างทางดีไอท้ทีเวลาเป็นทุกข์เขาคนนึกว่าโอ้โหทุกข์ตัวเองในใหญ่โตโโหมู่ลานในโลกนี้คงไม่มีใครเป็นทุกข์อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะแนะวิธีเคล็ดแก้ทุกข์เนี่ยอย่างหนึ่งว่าพาคนที่มีความทุกข์ไปดูคนที่ก็มีความทุกข์มากกว่านะพาไปเที่ยวแทนที่จะไปเที่ยวไอ้ที่ที่มันไม่มีไม่ไม่มีคนทุกข์เลย เดี๋ยวก็จะเกิดความวิชาเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจพาไปที่ที่คนก็มีความทุกข์มากกว่าเห็นว่าทุกเพราะโลกก็พาไปดูคนที่เป็นโลกร้ายแรงกว่าทุกเพราะจนก็พาคนไปดูที่จนกว่าทุกเพราะพิการก็พาคนไปดูไปพาไปดูคนพิการกว่าอย่างเนี้ยความทุกข์มันกลายทุกเพราะคนอยากตายก็พาไปดูคนที่อยากสําคัญอยากดีกว่าตายไปหรือตายไปมากกว่า น, นานก็ไปเห็น ความนี้แปลว่าความบ้าค่อยๆหายนะฮผมเชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงใช้อภินิหารประกอบและประกอบกับที่นางเป็นคนมีปัญญาไปบ้านหนึ่งก็บอกนี่ตายลูกตายความทุกข์หายไปหลายบ้านเขาก็เห็นความทุกข์คนอื่นความทุกข์ตัวเองก็เล็กลงเล็กลงเล็กลงจนกระทั่งหายไปเลยพอหายไปก็ความทุกข์หา ย, คว า, หายความบ้าก็หาย ก็นึกได้ว่านี่พระผู้มีพระภาคทรงอนุกรอบเร า, เาก็เห็นว่าการครองเรือนเนี่ยหน้าสังเวชมีโทษแลนี้เบื่อได้ธรรมะนะไม่ใช่เบื่อได้โทสะก็ไปขอบวชเมื่อไปขอบวชพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงธรรมให้ฟังก่อนจะบวชได้บรรลุเป็นโสดาบันก่อน หลังจากนั้นจึงได้บวชและก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในเวลารวดเร็วต่อมาและได้รับแต่งตั้งไว้ในฐานะว่าเป็นผู้นุงผมเศ้ามองนี่เป็นองค์ที่หกสิบสามองค์ที่หกสิบสามต่อไปออาหกสิบสามดูแลต่อไปองค์ที่หกสิบสี่องค์ที่หกสิบสี่องค์ที่หกสิบสี่นั้น ก็เป็นพระเทรีองค์สําคัญได้รับยกย่องเป็นเอกจตักคะเสมอด้วยประโมกขลานะเดียละคือยกย่องในทางลิ้นทางฤทธิ์สององค์เนี่ยความจริงบุปกรรมทําเกี่ยวข้องกันมาซึ่งก็น่าแปลกเหมือนกันนะะว่าคนที่ทํากรรมเกี่ยวข้องกันมาเนี่ยพอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยสมมุติว่าทําบุญเกี่ยวข้องกันมาบางระยะเนี่ยเสวยวิบากคล้ายกันแต่มันคล้ายกันไม่ไตลอดนะเพราะอะไร เพราะคนเราทําเกี่ยวข้องไม่ใช่แฝดกันมาทําบุญก็ทําบุญทั้งปีเดียวกันจับมือกันทำํทำทํากรรมฐานก็นาากนไปเียและต่างคนก็เว้นจากบาปเท่ากันทำเอาทําบาปเท่ากันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะชีวิตเราจริงๆบางทีเราทําบุญเกี่ยวกับ ค, คนนี้ไว้เรื่องหนึ่งทําบาปเกี่ยวนคนนี้ไว้เรื่องทําบุญและบาปเกี่ยวกับคนนี้ไว้เรื่องสองเรื่องแล้วบางทีก็ไม่เท่ากันนะบางทีเราใจก็ทําดีเขาใจเราทํามันจึงเป็นตัวจําแนก ทำให้ในชาติสุดท้ายเนี่ยผมพูดถึงผู้หญิงหลายคนต่อไปนี้ทำบุญร่วมกันมานางอุบลวันนาเทลีนางเกมานางกีสาโคตามีนางคุณทนเกสีนางสุจาดาอนางนางวิสากานะแล้วมีใครนางธรรมจินนาแล้วก็หมดแล้วนะหกนะ ทำบุญลง ม, มาแต่ว่าในชาติสุดท้ายเนี่ยไปทางเดียวใกลๆ้ๆกันตรงนี้ไปคนละที่กละทางตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าชั้นสุดท้ายเนี่ยเว้นแต่นางวิชารางไม่ได้บรรลุรวดเร็วเหมือนอย่างอีกหลายหลคนนางได้มาบรรลุเมื่อบวดแล้วแล้วบรรลุที่วิหารในขณะที่เพ่งเตโชสมาบัต เป็นฌานที่มีเตโชกสินเป็นอารมณ์แล้วก็เอาฌานเป็นบาดเลุเป็นธาลันจึงเป็นอราตามรัคที่ประกอบด้วยฌานอาพิญญาตั้งแต่บรรลุทีเดียวจึงเป็นผู้มีฤทธิ์มากไม่ใช่ว่าเก่งทางเตโชอย่างเดียวนะเวลาบสำเร็จนะสำเร็จทุกอย่างเลยเถ้าเก่งทางเจโชได้รับยกย่องก็อย่างภาษากาตะเดระ ได้รับพะยกย่อ ง, งาทางเตโชกสินก็เล่าเท่านี้อจากนั้นก็เป็นองค์ที่65พระนางปุณนาเถรีอ่านี่เป็นชีวิตที่กลับตาลปัดจากภิกษุณีที่ได้กล่าวมาในวันนี้ตั้งแต่องค์ต้นมาจนถึงองค์ก่อนหน้านี้เอพระนางปุณนาเถรีนั้น เป็นชาวเมืองสาวัตถีแต่ว่านางนั้นไม่ได้เกิดเป็นลูกผู้ลากมากดีลรือครับชนกกรรมของนางนั้นราคาต่ำเหลือเกินเกิดด้วยกุศลนิบาวเหมือนกันนางเกิดเป็นลูกทาสในเรือนเบีย้ยเป็นลูกของนางทาสีก็ต้องเป็นนางทาสีในสกุลของใครในสกุลของเอ่อตรงนี้ดีหน่อยฮะในสกุลของอนาถาบินติกาเศรษฐี ซึ่งเป็นพระโสดาบันเป็นอุบาสกที่ใจบุญสุนทานทำบุญทั้งในศาสนานอกศาสนาสร้างวัดพระเจตวันนะครับท่านบุนีเ้เรื่องนี้นะ่าจะให้คติแก่เราอันห น, น, นึ่งว่านางเนี่ยได้สร้างสมบา ร, รมีมาแต่อดีตเป็นอันมากเล่าว่านางน่าได้เป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมมัตโร ตัมทโรคือผู้ทรงถามเป็นพระอูสุฟังมากทรงจำทรงความเข้าใจเอาไว้มากแล้วเท่านั้นยังไม่พอนางยังเป็นธรรมกถึกสแสดงธรรมเก่งมาแต่อดีตในสมัยพุทธเจ้ากำหนดตั้งแต่พระพุทธวิปัสสีพระสิกขีเวสภูกระกูสันตาโกนาคมานะณะแล้วก็กัสปะก่อนหน้าองค์นี้ไม่เคยเว้นว่างจาก ความสามารถทางด้านนี้บวชในพระพุทธเจ้าหลายองค์ที่ว่ามาทรงธรรมะแล้วก็แสดงธรรมะในสมัยพระพุทธเจ้าทุกๆโลองค์ที่ว่ามาแล้วก็ทําไมอา น, นางไม่ได้บรรลุอะไรหรอกเป็นผู้อยู่ในศีลในธรรมอันงามมาตลอดศีลก็ดีความรู้ก็ดีและทําไมชาติสุดท้ายจึงมาเกิด เป็นลูกพาดในเรือนเบียรเพราะอะไรนี่แหละครับที่ธรรมะหลายๆที่ได้เคยบอกว่าคนโกรธทำให้ขึ้นมานะจัดยกตนข่มท่านทำให้เกิดในสกุลสูงใช่ไนหะใช่ไหมใช่ไหนใครว่าใชายยกมือขึ้นดิเก่งมาก คนไอ้มาหน้าเนี่ยมันก็แปลกไอ้กิเลสเนี่ยมันคิดตรงกันข้ามกับความเป็นจริงที่จะได้เสมอทุกเรื่องกิเลสทุกตัวครับไอ้บางตัวก็เข้าใจพอได้ไอ้บางตัวเข้าใจยากทีนี้ไอ้เข้ขาใจพอได้นี่คือว่าไอ้ผลได้เฉพาะหน้าผลในทางสังคมเฉพาะหน้าเนี่มันอธิบายได้เห็นนะอย่างเช่นว่าคนโอบเอื้อเผื่อแผ่ได้เพื่อนเนี่ย สังหาวัตถุนี่คือผลที่เห็นเฉพาะหน้าแล้วก็ผลที่จะได้ต่อไปก็คือทำให้มีบริษัทบริวารผู้ช่วยเหลือจะสูงกว่าก็ตามเส ม, มอกว่าเส ม, มอกันก็ตามต่ำกว่าก็ตามเป็นผลในอนาคตผลอน า, นาคตนี่จะมั่นคงแน่นอนแล้วก็อาจจะมีคุณสมบัติอื่นๆประกอบแล้วแต่องค์ประกอบของการ อ, าอบเอื้อเพื่อแผ่ของบุคคลนั้นที่เห็นว่าต่ำใช่ไม้ม ต่ำลงกว่าเกณฑ์สมมุติว่าเขาถามอะไรแล้วสักอย่างเรื่องที่ถามเนี่ยเรารู้แต่ถ้าเราตอบอย่างอวดก็ตอบอย่างไม่อวดตอบอย่าง่อมตัวเนี่ยความรู้สึกคนให้คะแนนไม่เท่ากันบางทีอยากจะมีหนทางจะช่วยแลวอยากจะช่วยแต่เขาก็ไม่ยอมให้เราช่วยมันเพราะอะไรถ้าไม่เราอี่าเน้นมายอยากเจ้านะท่าน กลัวเรื่องนี้กลัวหมายถึงกลัวว่าให้ธรรมะไม่ได้เพราะนี้ยจึงบอกว่าฟังอย่างมีมายาได้ไหมฟังอย่างไม่มีมายาได้ไหมให้อย่างอื่นน่ะไม่เอาเป็นข้อแม้แต่ขออันนี้ไว้ได้ไหมนี่เป็นเป็นเรื่องสําคัญอย่างเหนึ่ไอ้มานะนี่มันมีหลายรูปแบบถ้าเป็นมานะอย่างนี้ย ง, ง่ายอ่ะมานะว่าฉันเก่งกว่ามานะแบบนักเลงนะอันนี้ง่าย เราไปแสดงความเก่งกว่าเห็นแล้วพวกนี้ยอมไต้มานะมายาเนี่ยบรรลัยแท้ๆจับหางมันก็ดินจับกลาง ม, ก น, มนก็ดินจับหัวมก็ดินเลยไม่รู้จะทำยังไงมันไม่ใช่เฉพาะยากแต่เราเนะตรวพุทธเจ้าเองก็ก็เรียกว่าปวดพระเสียรเหมือนกันอะคนพวกนี้เพราะฉะนั้นนางจึงไม่ได้บรรลุอะไรเลยทั้งที่ควรจะบรรลุเพราะมานะเข้ามาขวาง เมื่อมาเกิดในชาตินี้มาเกิดในสกุลต่ำไอ้มาณว่าเก่งว่าวิเศษมันก็ไม่ได้ช่องนะมันไม่ได้ช่องเมื่อไม่ได้ช่องเนี่ยแปลว่าเมื่อเป็นลูกในเรือนเบี้ยเนี่ยก็โกง่ก็ชีวิตก็ตกต่ำมาตลอดจนกระทั่งได้ช่องของกุศลวิบากส่งผล คือเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ทรงสแสดงมหาสีหนาทสูตรนี่ถ้าเล่าวิษณานต้องยกเล่าท้องเรื่องอะไรกันอีกเยอะอะมหาสีรนาทสูตรนี่เอาเล่าซะหน่อยว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงแก่เดลธีนอกศาสนาที่เขาคุยว่าเขาเนี่ยประพฤติวัดอย่างนั้นอย่างนี้พระผู้มีพรภาคได้ทรงทําลายมานะของเขาว่าเราเนี่ยได้ประพฤติอุกลิบยิ่งกว่านั้นยิงน่งกว่าท่านทําอีก แสดงแกสีหาเสนาบดีนางได้ไปฟังอยู่ด้วยแล้วมันศพเหมาะกับกิเลสของตัวเองเข้าพอดีจึงได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเมื่อพระผู้มีพระภาคแสดงสูตรนี้จบและเมื่อบริบรลุเป็นโสดาบันแล้วเจ้านายก็เป็นโสดาใช่ไหมอนาถะใช่ไหม ธาตุก็เป็นโสดาโสดากับโสดารู้กันโสดากับโสดาเนี่ยราคาเท่ากันในทางความรู้สึกจะไม่ว่าจะเป็นลูกเมื่อที่ลูกเรียกพ่อว่าน้องอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่เรียกโดยคุณธรรมจำได้ไม่มีอยู่คนนะลูกเรียกพ่อว่าน้องก็รู้กันไม่ถือกัน ลูกใครรู้ไหมเรียกพ่อว่าน้องจาได้ไหมฮะลูกอนาถาเรียกพ่อว่าน้องรู้สึกก็จะชื่อสุสสมาาบรรุเป็นอนาคาพ่อเป็นแค่โสดาลูกไม่ไอ้นี่เขาคนคนพูดแบบไม่รู้ที่สูงที่ตา่ามีอยู่สองประเภทหนึ่งเมา เมาบางทีมันบังคับพ่อไอเรียกเหมืนพี่มั่วกันไปหมดเลยทั้งพ่อทั้งลูกคนบรรลุธรรมก็เหมือนกันก็เหมือนจะมั่วแล้วก็ชวนให้คนอยู่อยู่ตรงกลางๆอย่างเราเนี่ยงงอ่ะไม่รู้ใครเมาไม่รู้ใครบรรลุเมื่อเท่ากันเนี่ยอนาถาก็ให้ความเป็นไทยนางปุณณาธาสี นี่อันนี้ก็เป็นเป็นช่องโอกาสอย่างหนึ่งนะที่จะทําให้คนมีกําลังใจปฏิบัติธรรมอันนี้ถือเป็นเป็นธรรมดาเป็นธรรมเนียมอันหนึ่งและ ว, ว่าที่จริงนะแม้แต่จะไปอยู่ในสกุลของคนที่ไม่ได้บรรลุเป็นอริยะลองเป็นอริยะโสดาเกิดมาแล้วจะมีอนุภาพขึ้นมาอย่างแคนี้ที่คนอื่นจะรู้สึกได้เลยจะรู้สึกเกิดความยำเกรงเคงขามแล้วก็ในสุนก็จะให้โอกาสแก่ คนพูด น, นั้นให้เป็นไทยหรืออให้เกียรติยกย่องในสถานะใดสถานะหนึ่งขึ้นมาแน่นอนครับอันนี้ในยุคเราไม่ได้เป็นอริยะไม่ได้เป็นอะไรก็เรายังยกย่องคนที่มีธรรมสูงสูงนะในยุคของเราเนี่ยถึงจะมีการศึกษาน้อยถึงจะเป็นคนชาติสกุลต่ำยังไงก็ตามธรรมะยอมหนูอยู่เนื้อกว่าเสมอก็ณี่ในระหว่างก่อนที่จะยังไม่ได้บวชเนี่ย นางกุณณะาสีได้ไปทรมานพรามณคนหนึ่งซึ่งเป็นพราม์ที่ร่ำรวยเช้าวันหนึ่งนางได้ไปเห็นพรามณ์คนหนึ่งกําลังสันงกงก ง, ง, ง, งอาบน้ำอยู่ที่แม่น้ำก็ไปถามบอกว่านี่พราม์เมื่อก่อนเนี่ยฉันต้องตื่นตะมืดมาตักน้ำหนาวสันเทิมไปทั้งตัวเหมือนกับท่านเนี่ยเพราะเกรงกลัวเจ้านาย เป็นทาสเขาจึงต้องทำไม่ทําไม่ได้แต่ท่านเนี่ยไม่ได้เป็นทาสใครทำไมยิงต้องมาตื่นเช้ามาสันงกงกอยู่ที่ท่าน้ำพรามก็บอกว่ามาอาบน้ำชำระบาปมาล้างบาปบาปอากุศลทีได้ทําความชั่วทั้งหลายจะถูกน้ำเนี่ยพัดพาไปเดีย๋ยนี้มีไม่อาบน้ำล้างบาป แล้วมีไม่ที่หนาวงางเงงอาบน้ำล้างบาปหน้าตาเฉยเคยเห็นไหมเคยนมีแกลงถามคนที่ได้ไปเห็นมาแล้วนะเพื่อเยอะคนที่ไม่ได้เห็นอันแล้เราเราจะได้มีมาณร่วมกันนะผมจะได้ไม่บาปคนเดียววมันก็จริงนะ้มมุดเนี่ยดวงอาทิตย์เพิ่งจะโผล่พ้นขอบฟ้าเนี่ยหรือยังไม่ทันโผล่บ้าง โอ้โหมันอาบน้ํากันหน้าตาเฉ ย, นะ ย, ยหนาวนะเราใส่เสื้อหนาวเดินมือลวงกระเป๋าด้วยความหนาเลยอาบน้ํากันหน้าตาเฉยเลยนุงพระเตียวตัวเดียวก็มีมาอาบด้วยความจําเป็นหรอกอาบเพื่อจะล้างบาสนี่เหมือนกับพราำชะลาคนนี้มาสั่นเทอมแกก็บอกว่าอาบน้ำล้างบาว่าเลยพรลนาคุณของการอาบน้ำล้างบาบให้ฟังนางก็โต้อตอบด้วยข้อความที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ในที่อื่นว่า ถ้าหากว่าการอาบน้ำจะล้างบาปได้นางเนี่ยแต่ก่อนแต่ไรเนี่ยเดลงมาที่ท่าน้ำตักน้ำเปียกน้ำทุกวันวันละหลายรอบหลายหนบาปก็ต้องหมดไปนานแล้วเพราะน้ำนั้นแต่นี่ที่เครื่องที่มาล้างนางให้พ้นจากบาปพ้นจากความเป็นทาสีได้เนี่ยเพราะน้ำในอริยะวินัยมีประการหนึ่งอีประการหนึ่ง พวกปลาพวกเตา่าที่อยู่ในแม่น้ํามันก็ต้องไปสวรรค์กันหมดพ้นจากบาปกันหมดแล้วคนที่ทําความชั่วข่าแพะบูชายันข่าคนบูชายันส ม, มัยก่อนยังมีทําบาปอื่นใดมาอาบน้ำนี่ก็ต้องพ้นจากความชั่วกันหมดพ้นจากความผิดกันหมดเอาจริงไอพ้นผิดมันก็ไม่ผิดอยู่แล้วใช่ไหมลองลองคิดไอเมืองที่นับถือการล้างบาปเนี่ยถ้าโจรมาล้างบาปเนี่ยจะยอมให้มันพ้นผิดไหม ยอมละโทษประหารไ้ยก็ไม่ยอมอยู่ดีอะแล้วตัวเองจะว่าไงล่ะไอ้ความคิดกับการปฏิบัตินันก็ขัดแย้งกันนี่แล้วบอกว่าถ้าน้ำล้างบาปได้น้ำก็ต้องล้างบุญได้บุญก็ต้องถูกน้ำพัดพาไปอีกได้เนี้ยสู่ความจริงสูตรนี้เราเคยพูดมาแล้วในในสังยุตตินิยก็จึงได้ให้คติจนกระทั่งพลามเลื่อมใสครับ เลื่อมใสถึงขนาดถามหาต้นตอว่าธรรมะนี้ได้มาจากไหนยังไงก็รู้ว่าได้มาจากพุทธเจา้าจึงบวชเลยครับไปบวชเลยพราหมณ์จะมีบรมีเหมือนกันบวชแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอราหันในไม่นานเพราะกัลยาณมิตรอดีตหญิงทาสีนี้และในที่สุดนางทาสีก็ได้บวชแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอราหันด้วยเช่นเดียวกัน น, นางกุณณ น, น า, านางกุณณาเทรีเราก็ได้คติเรื่องมานะทิฏฐินะต่อไปอีกขั้นหนึ่งครับท่านนี้เราต้องสนใจเป็นวิเศษหน่อยชื่อว่าพระนางอัมพปาลีเถรีผมบอกได้เลยว่านางอัมพปาลีเถรีรูปนี้องค์เดียว ก, กันกับนางอัมพปาลีที่ได้รับยกย่องในฐานะที่เป็น อุบาสิกาถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ศึกษาให้ตลอดเราก็นึกว่านางอัมพาลีเนี่ยเป็นแค่โสดาบันจนกระทั่งตายไปแล้วไม่ได้บวชนางอมพาลีเถรีนางอัมพ า, ารีที่ได้รับยกย่องจากพุทธเจ้าตอนนั้นน่ะเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงกระชนชีพอยู่ได้รับยกย่องให้เป็นเลิศในเรื่องอะไรช่วยดูในเอตัคขะหน่อยดีครับยกย่องในเรื่องอะไร ที่ถวายอัมพาปาลีวันแก่พระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จไปตุสินารานางอัมพาปาลีท่านนี้นะ่ะเป็นชาวเมืองเวสาลีแล้วก็เป็นภิกษุณีรูปเดียวที่ปฏิสนธิประหลาดปฏิสนธิประหลาดนี่มีทุกสมัยนั่นแหละเดี๋ยวนี้ก็มีนางนะ่ปะปฏิสนธิประหลาดคือเป็น สังเสทชากําเนิดฝ่ายกายหยาบสังเสรชาเนะี่ยมีทั้งฝ่ายกายละเอียดก็มีกายหยาบก็มีเรื่องกําเนิดสีต้องอธิบายกันใหม่ทั้งหมดที่เรารู้มาเนี่ยแคบนะโดยพิสดาธ ร, รมีไมีไเงื่อนงําเยอะอย่างสังเสริชาเนี่ยเทวดาเกิดสังเสริฐชาจากดอกมองคลดอกไม้ก็ได้เพราะคือเป็นการเกิดอย่างมีอะไรเป็นเชือ้อ ที่กรรมเข้าไปผันแปรให้เป็นอัตภาพถ้าเชื้อนั้นเป็นเชื้อทิพก็ได้อัตภาพเป็นทิพถ้าเชื้อนั้นเป็นเชื้อหยาบได้อัตภาพเป็นหยาบนางอัมพปาลีเนี่ยถือกำเนิดเกิดที่โคนต้นมะม่วงอาศาัยต้นมะม่วงเป็นเชื้อได้อัตภาพเกิดขึ้นในที่นั้นด้วยอำนาจ เจตนาและกุศลกรรมเก่าดังจะได้เล่าตอบไปและนางนั้นได้เกิดขึ้นมาเป็นคนที่สวยงามมากเพราะสวยงามมากนี่แหละครับลูกเจ้าวัตถีหนุ่มๆทั้งหลายก็พากันมาลุมรักอยากจะได้เป็นชายาเป็นมาเหสีแล้วก็ตกลงกันไม่ได้จะทะเลาะกันจะเสียวัตถีธรรมก็เพราะนางพระบาลี วัดทีผู้ใหญ่ก็เลยยื่นข้อเสนอว่าเอาอย่างงี้ก็แล้วกันเราจะได้ไม่เสียวัดทีทําไม่ต้องมาทะเลาะกันให้นางเนี่ยเราควรจะสถาปนา น, นางไว้เป็นโสเพณีนะะจะได้เป็นสาธารณะแก่ทุกคนแต่ว่าโสเพณีไม่ใช่โสเภณีชั้นต่ำเป็นสาธารณะแก่คนชั้นสูงนางก็เลยต้องกลายเป็นโสเพณีด้วยภาวะจำยอม ที่ไม่ได้เกิดด้วยความสมัครใจแต่เป็นเพราะกรรมนะไอ้จริงๆนะเพราะอาดีตกรรมเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ากรรมว่ากันว่านางในสมัยอดีตได้เคยบวชเป็นภิกษุณีมาแล้วหลายครั้งแล้วก็ในครั้งหนึ่งได้เกิดเป็นภิกษุณีในสมัยของพระพุทธเจ้า พ, พระองค์หนึ่งวันหนึ่งคณะภิกษุณีกําลัง เดินไปเพื่อบูชาพระเจดีที่เป็นที่ไว้พระาธาตุของพระพุทธเจา้าก็มีพระเถรีอรหันเดินอยู่ข้างหน้าและท่านก็ทมน้ำลายลงในระหว่างทางที่เดินไม่ได้บอกชัดว่าทมทรงเดชหรือทมไม่ทรงเดชนะพูดผูล็เสียวเหมือนกันแะเป็นพระอรหันนะ เนื่องจากว่าภิกษุณีรูปนี้ที่มาเป็นนางพระปาลีเนี่ยเป็นคนรักความสะอาดอย่างยิ่งแต่ก็เป็นคนหละหลวมในเรื่องการแสดงออกทางกายทางวาจายอย่างยิ่งพอเดินไปเห็นเคละของภิกษุณีอัลหันแทนที่ถือเป็นสิริมงคลใช่ไหมของเราเนี่ยน้ำมูกน้ำหมากของหลวงพ่อดังๆเราถือเป็นสิริมงคลทั้งนั้น ก็พลั้งปากพูดออกไปด้วยความโกรธว่านี่น้ำลายของนา ง, นงของนางหญิงแพร่สยาคนไหนนะมาทมถุยไว้ที่นี่ความจริงก็รู้อยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นอลหันด่าพระภิกษุณีอัลหันไปอย่างนี้จึงเป็นผลคำว่าหญิงแพร่สยาก็คือหญิงงามเมืองหญิงโสเภณีนั่นแหละเป็นอีกชื่อหนึ่ง เพราะการกล่าวจ่วงจาบอย่างนี้แหละเป็นบุปกรรมทำให้นางเนี่ยมาสวยกุศลวิบากและอากุศลวิบากอยู่ในร่างเดียวกันคืออะไรสวยเพราะรักษาศีลเพราะการบวชเพราะบา ร, รมีของรงชัยพระอรหันต์แล้วก็ต้องมาเป็นโสเพณีเพราะไปดา่าล่าหลานนีเหมือนกัน เรียกว่าคนทําบุญทําบาปปนกันมาจึงมันมาเป็นผลชีวิตทําให้ชีวิตคนเนี่ยได้กุศลวิบากอันนี้มาเลยต้องมาทําให้ต้องมาเป็นอย่างนี้พราะกุศลวิบากนะเลยเป็นที่อาศัยของบาปบาปได้ช่องถ้าเกิดมาจะหมู่โวจะหมูกแหวงก็อาจจะไม่ได้ช่ององกุศลวิบากนะเนี่ยนี่ก็โครงกันข้ามกระ น, นางปันเจปาปีไม่สวยแต่กุศลวิบาก ก็ออกมาอีกแบบหนึง่งคงจําเรื่องนางปัญจปาปีหญิงผู้มีบาป่าแห่งแต่เป็นราชินีของกษัตริย์อ่าตอนออตนนั้นน่ะนางนางยังเป็นคารวะาอยู่พูดง่ายว่าตอนที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่เนี่ยยังเป็นคารวะยังยังไม่ย่างเข้าสู่ไวยาลาเพราะฉะนั้นตอนที่พุทธเจ้าเสด็จมาไปไปสู่เมืองบริพารและขวานแคว้นวัตชีแล้วมีอยู่ตอนหนึ่งในพระสูตรบอกว่าอทรงได้รับอารัธนาจาก นางอัมพปาลีหญิงขณนิกาเป็นอีกชื่อหนึ่งของโสเป็นีเหมือนกันให้ถวายอัมพปาลีวันคือสวนมะม่วงที่เป็นสมบัติของนางและได้ถวายพระตาหารแก่ภิกษุสงฆ์มีพระกุติจา้าเป็นมูขธรรมสังฆทานตอนนั้นก่อนที่จะเสด็จไปสู่ที่ปรินิพานแต่ไม่ใช่อาหารมื้อสุดท้ายเ้าอ่านเจอยังได้รับยกย่องว่าไง ได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะตอนยังไม่ได้บวชว่างไงตอนนั้นเป็นแค่โสดาบันดูในเอกสารชุดที่ที่หนึ่งหรือที่สองดูเอาเองแล้วกันได้คำตอบก็รู้เอาเองทีนี้ตอนหลังเนี่ยนางได้ออกบวชเพราะลูกชายคงจะเป็นลูกไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อ